ปัญจมะวัคหมวดที่ห้าหนึ่งอักับปสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสามประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสามประการคือ 1. สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าและมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดิตกล่าวว่าเลือกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสองธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความคลายกำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหายความถอนอาลัยความตัดวัฏตะความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพาน บัณฑิตกล่าวว่าเลิกกธรทมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศรรมทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดาริชอบ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 ควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบัณฑิกกล่าวว่าเลิ่กว่าหมูหรือคณะเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในสงฆ์ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิอ่อและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิ่อสามประการนี้แหล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุญที่เลิศคืออายุวันณนะยศเกียรติสุขและพระละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใสผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักษินายบุคคลชั้นเยี่ยมผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันเป็นที่คลายความกำหนัด และเป็นที่สงบระงับนำสุขมาให้ผู้เลื่อมใสในพระสงค์ผู้เลิศซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมให้ทานแก่ท่านผู้เลิศนักปราชตตั้งมั่นในธรรมที่เลิศให้ทานแก่ท่านผู้เลิศเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล อักขภาษัสูที่หนึ่งจบสองชีวะกะสูตรว่าด้วยชีวิตของผู้ทุศีลแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการที่ภิกษุทุศีลเที่ยวบินตบาดเลี้ยงชีพนี้เป็นการกระทาที่ตำแซม การที่ภิกษุถทุศีนประพฤติชเช่นนี้ย่อมถูกชาวโลกด่าว่าเจ้าคนนี้อุ้มบาทเที่ยวขอชาวโลกเลี้ยงชีพปุรบุตรต่างเป็นผู้ตระหนักในเหตุอาศัยความตระหนักในเหตุจึงเข้ามาใช้ชีวิตเที่ยวขอก้อนข้าวนี้มิใช่ถูกพระราชารับสั่งให้นำไปจองจำมิใช่ถูกพวกโจรนำไปกักขังมิใช่เป็นลูกหนี้มิใช่ตกอยู่ในห่วงอันตรายมิใช่มุ่งจะยึดเป็นอาชีพ แท้จริงกุลบุตรเหล่านั้นเข้ามาบวช ด, ด้วยเหตุผลว่าพวกเราต่างถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ําไรความทุกข์ความเสียใจความตรอมใจทับถมครอบงำจมอยู่ในทุกข์สารวณอยู่กับทุกข์ทําอย่างไรเล่าการทําที่สุดกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏได้กุลบุตรนี้เป็นผู้บวชแล้วด้วยเหตุผลตามที่กล่าวแล้วนี้ แต่แล้วกุลบุตรนั้นกลับมีความละโมบกำนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทคิดประทุษร้ายหลงลืมสติไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นกระสับกระส่ายไม่สำรมอินทรียภิกษุทั้งหลายท่อนฟืนในที่เผาศพถูกไฟไหม้ทั้งด้านหัวและท้ายและตรงกลางยังเปื้อนคูดจะใช้เป็นฟืนในบ้านหรือในป่าก็ไม่ได้ทั้งนั้นฉันใด บุคคลผู้นี้ก็เปรียบเช่นนั้นเราเรียกว่าเป็นคนเสื่อมจากโพคะของครหัดและไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์สำหรับความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าคนผู้มีส่วนชั่วเสื่อมจากโพคะของครหัดทั้งยังทำลายประโยชน์ของความเป็นสมณะให้เสื่อมสูญสิ้นไป เหมือนท่อนเฟื่อในที่เผาศพมอดไหม้ไปฉะนั้นภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอมีทาเลวซามไม่สำรวมย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลายการกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุดเปล่เพลิงยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลชีวะกะสูตรที่สองจบ 3. สังคาติกั น, นสูตรว่าด้วยผู้เกาะชายผ้าสังคาติ แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแม้ถ้าภิกษุจับชายผ้าสังขารติแล้วเดินตามรอยเท้าเราติดตามไปข้างหลังแต่ภิกษุนั้นมีความละโมบกำนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทคิดประทุษร้ายหลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นกระสับกระส่ายไม่สํารวมอินทรีย์แท้จริงแล้วภิกษุนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ห่างไกลเราเราก็ห่างไกลภิกษุนั้นนั่นเป็นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมชื่อว่าไม่เห็นเราภิกษุทั้งหลายแม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึงร้อยโยต์แต่ภิกษุนั้นไม่มีความละโมบ ไม่กำนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตไม่พยาบาทไม่คิดประทุษร้ายมีสติตั้งมั่นมีความรู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่สารวมอินทรีย์แท้จริงแล้วพิกษุนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เราเราก็อยู่ใกล้พิกษุนั้นนั่นเป็นเพราะเหตุไรเพราะพิกษุนนั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเรา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มากๆ ม, มีความคับแค้นตกยุนอำนาจตันหาอย่างดับความเร่าร้อนไม่ได้ถึงจะติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดตัญหาที่ทำให้หวันไหวผู้ทรงดับความเร่าร้อนได้ผู้นั้นชื่อว่ามีความกาหนัดยินดี เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเป็นผู้อยู่ห่างไกลส่วนบุคคลผู้เป็นบ t, ัณฑิตพิจารณารู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วต่อมาจึงกำหนดรู้ธรรมนั้นเป็นผู้หมดกิเลสที่ทำให้วันไหวสงบระ ง, งับกิเลสได้เด็ดขาดดุดห่วงน้ำสงบเรียบยามสงัดลมฉะนั้นผู้นั้นไม่วันไหวดับความเร่าร้อนได้แล้วชื่อว่า หมดความกำนัดยินดีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีทรงมีความหวั่นไหวทรงดับความเร่าร้อนได้ทรงปราศจากความกำนัดยินดีเป็นผู้อยู่ใกล้ทีเดียวแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสังคาติกัรณสูตรที่สาจบ 4. ี่อคติสูตรว่าด้วยไฟกิเลต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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าไฟคือราคะย่อมเผาผลาญนรชนผู้กำนัดหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายไฟคือโทสะย่อมเผาผลาญนรชนผู้มีจิตพยาบาทชอบฆ่าสัตว์ไฟคือโมหะย่อมเผาผลาญนรชนผู้ลุ่มหลงไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะมูสัตว เมื่อไม่รู้จักไฟทั้งสามกองนี้จึงยินดียิ่งในสักกายะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารสังสมเพื่อเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและแดนเปรตส่วนชนทั้งหลายผู้มันอบรมตนในาศนาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนมันเจริญอสุภสัญญาเป็นนิทย่อมทาไฟคราคะให้ดับลงได้ ชนทั้งหลายที่มีคุณธรรมสูงย่อมดับไฟคือโทสะลงได้ด้วยเมตตาและย่อมดับไฟคือโมหะด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสได้เด็ดขาดชนผู้มีปัญญารักษาตนเหล่านั้นไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนดับไฟทั้งสามกองนั้นได้แล้วชื่อว่าดับกิเลสได้สิ้นเชิงล่วงพ้นทุกได้ทั้งสิน้นบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นแจ้งอริยสัจ จบเวทรู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบย่อมไม่กลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกเพราะรู้ยิ่งถึงภาวะที่สิ้นสุดการเกิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลอัขิสูตรที่สี่จบ ปริคษสูตรว่าด้วยการพิจารณาโดยวิธีที่จิตไม่ฟุง้งซ่านแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุควรพิจารณาโดยประการที่วิญญาณจิตของตนไม่ฟุง้งซ่านไม่ซัดสายไปในอารมณ์ภายนอกไม่ติดอยู่ภายใน จึงไม่หวาสดสะดุ้งเพราะไม่ยึดติดในอารมณ์ต่างๆภิกษุทั้งหลายครั้นวิญ ญ, ญาณไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัด ส, สายไปในอารมณ์ภายนอกไม่ติดอยู่ภายในเมื่อภิกษุไม่หวาสดสะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นอารมณ์ต่างๆเหตุแห่งทุกข์คือชาติและความเกิดทุกข์คือชราและมรณะก็จะเกิดมีไม่ได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุละกิเลสเครื่องคล่องเจ็บประการได้ตัดตันหาที่นำไปสู่พบได้เด็ดขาดมีสงสารคือชาติหมดสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลอุปริคสูตรที่ห้าจบ 6. ก้ามุปฏิสูตรว่าด้วย ผู้ยังเสพกามไม่สามารถล่วงสังสารทุกข์ได้แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการเสพกามสามประการนี้การเสพกามสามประการอะไรบ้างคือ 1. การเสพกามของสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิด สการเสพกา ร, รของเทวดาผู้ยินดีในการมสมบัติที่ตนเนรมิตสาการเสพกา ร, รของเทวดาผู้ยินดีในการมสมบัติที่เทวดาอื่นเนรมิตให้ภิกษุทั้งหลายการเสพกา ร, รสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิด เทวดาผู้ยินดีในการมสมบัติที่ตนเนรมิตเทวดาผู้ยินดีในการมสมบัติที่เทวดาอื่นเนรมิตให้และสัตว์เหล่าอื่นที่เสพกรามอยู่เป็นนิดย่อมไม่ร่วงพ้นสังสารวัตรที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นบัณฑิตรู้โทษในการเสพกรามทั้งหลายนี้แล้วควรละเว้นกราม ท, ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ทั้งหมด บัณฑิตทั้งหลายตัดกระแสตันหาที่กำนัดยินดีในปิยรูปสาตรูปที่คนทั่วไปล่วงพ้นได้ยากขาสิ้นแล้วชื่อว่าดับกิเลสได้สิ้นเชิงล่วงพ้นทุกได้ทั้งสิน้นบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นแจ้งอริยสัจจบเวตรู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบย่อมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะรู้ยิ่งถึงภาวะสิ้นสุดการเกิด แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกามูปฏิสูตรที่หกจบเจ็ดกามโยคสูตรว่าด้วยผู้ประกอบด้วยการไปสู่วัตสุงสารแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบตนด้วยกามโยคะประกอบตนด้วยภวะโยคะชื่อว่าเป็นอาคามีคื อ, อยังต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีกบุคคลผู้พรากตนออกจากกามโยคะแต่ยังประกอบตนด้วยภวะโยคะชื่อว่าเป็นอนาคามีคือเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีก บุคคลผู้พรากตนออกจากกามโยคะและภวะโยคะได้ขาดแล้วชื่อว่าเป็นอรหันต์คือเป็นผู้สิ้นอาสวัตกิเลสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบตนด้วยกามโยคะและภวะโยคะทั้งสองชื่อว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ส่วนผู้ที่ละกามทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะยังประกอบตนด้วยภวะโยคะบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นอนาคามีแต่ผู้ที่ตัดความสงสัยได้สิ้นทั้งมานะและภพที่จะเกิดใหม่ถึงความสิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ชื่อว่าถึงฝั่งแล้วในโลกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกามโยคสูตรที่เจ็ดจบ 8. กัลยาณศีลสูตรว่าด้วยผู้มีศีลงามทำงามและปัญญางาม แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลงามมีธรรมงามและมีปัญญางามเราจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แท้จริงอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในธรรมวิ น, นัยนี้ผู้มีศีลงามเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสัมรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาในศิคาบททั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีศีลงามอย่างนี้แหลเป็นผู้มีศีลงามด้วยอาการดังกล่าวนี้ผู้มีธรรมงามเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มันประกอบความเพียรติดต่อกันด้วยการเจริญโพธิปัจฉิยธรรม37ประการอยู่เสมอภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมงามอย่างนี้แหลเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามด้วยอาการดังกล่าวนี้ผู้มีปัญญางามเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินไนนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญางามอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามและมีปัญญางามด้วยอาการดังกล่าวนี้เราจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แท้จริงอยู่จจโพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในธรรมวินัยนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเรียกภิกษุผู้ไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจมีหิริครองใจนั้นว่าเป็นผู้มีศีลงามตรัสเรียกภิกษุผู้บำเพ็ญโพธิปัจจียธรรมสาิประการมาแล้วเป็นอย่างดีไม่มีกิเลสเป็นเครื่องฟูใจนั้นว่า เป็นผู้มีธรรมงามตรัสเรียกภิกษุผู้รู้แจ้งความสิ้นทุกข์ของตนในอัตภาพนี้เท่านั้นผู้หาอาสวะมิได้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญางามตรัสเรียกงพิษุผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมมีศีลเป็นต้นนั้นผู้ไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้แล้วไม่อาศัยโลกทั้งปวงและกิเลสทุกอย่างในโลกได้หมดสิ้นว่าเป็นผู้มีปัญญางาม แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลกลยาณศีลสูตรที่8จบเก้ทา น, นสูตรว่าด้วยการให้ทานแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้เข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย ทานสองอย่างคืออามิสทานการให้สิ่งของและธรรมทานการให้ธทมบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศการจำแนกสองอย่างคือการจำแนกด้วยอามิสและการจำแนกด้วยธรรมบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกด้วยธรรมเป็นเลิศการอนุเคราะห์สองอย่างคือการอนุเคราะห์ด้วยอามิสและการอนุเคราะห์ด้วยธรรม บรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าวินยูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้ประเสรศิฐเป็นนาบุญอันเลิศของโลกเมื่อทราบชัดทานและการจำแนกที่พระผู้มีพระภาคตรสัสสรรเสริญว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่ง ใครเล่าจะไม่ถวายทานในการอันสมควรประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมนั้นย่อมสำเร็จแก่คนสองฝ่ายคือฝ่ายแสดงธรรมและฝ่ายฟังธรรมผู้มีจิตเลื่อมใสในคาสอนของพระสุคตและผู้ไม่ประมาทในคาสอนของพระสุคตแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทานสูตรที่9จบ เตวิชสูตรว่าด้วยวิชาสามแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติเรียกผู้บุญลุวิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราหาบัญญัติเรียกบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่ ก็เราบัญญัติเรื่องผู้บรรลุวิชาสามว่าเป็นพรามโดยธรรมเราหาบัญญัติเรื่องบุคคลอื่นว่าเป็นพรามโดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่มีอธิบายอย่างไรคือ 1. ภิสษุในธรรมวินัยนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง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 จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ภิกษุนั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เธอชื่อว่าได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้แล้ว ความมืดมิดคืออวิชาเธอกำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เธอเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกุฏิกายและใจ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนือมนุษย์ รู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีทุจริตและมนุสุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุ ก, กติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกา ย, i, i, ส i, ยสุจริตวจีสุจริตและมนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยมีความเห็นชอบ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 ความมืดมิดคืออวิชาเธอกำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เธอเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกายและใจ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอชื่อว่า ได้บรรลุวิชาที่สามนี้แล้วความมืดมิดคืออวิชาเธอกาจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เธอเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติเรื่องผู้บรรลุวิชาสามว่าเป็นพรามโดยธรรมเราหาบัญญัติเรื่องบุคคลอื่นว่าเป็นพราม โดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลใดรู้ปุปเพนิวาสยานเห็นทั้งสวรรค์และอบายบรรลุธรรมที่สิ้นความเกิดเป็นมุนีอยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ยิ่งเป็นพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามโดยวิชาสามนี้ เราเรียกบุคคลนั้นว่าได้วิชาสามหาเรียกบุคคลอื่นว่าได้วิชาสามตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเตวิชาสูตรที่สามจบปัญจมวัคจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอักขปสาทสูตร 2. ชีวะกะสูตร 3. สังคาติกานสูตร 4. อักิสูตร 5. อุปริขสูตร 6. กาโมปฏติสูตร 7. ็กามโยขสูตร 8. กาลยานศีลสูตร 9. ทานาสูตร 10. เตวิชสูตรติกานิบาตจบ จะตุกนิบาศหนึ่งพราหมณธรรมยาคสูตรว่าด้วยการบูชายันด้วยธรรมของผู้เป็นพราหมณ์แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรานี้แลเป็นพราหมณ์ผู้ควรแก่การขอขนขวายในธรรมทานตลอดเวลา ทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายเป็นสัญญาแพทย์พาตัดกิเลสผู้เชี่ยวชาญเธอทั้งหลายเป็นบุตรผู้เนื่องในอกของเราคือเกิดแต่ปากเกิดแต่ทำรรทำสร้างสรรไว้จงเป็นธรรมทายญาติเถิดอย่าเป็นอมิสรรมทาญาติเลยภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้คือหนึ่งอมิสทานสองธรรมทานบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศ การจำแนกสองอย่างนี้คือ 1. การจำแนกอามิต h สการจำแนกธรรมบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้การจำแนกธรรมเป็นเลิศการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือ 1. การอนุเคราะห์ด้วยอามิต h สการอนุเคราะห์ด้วยธรรมบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศการบูชายันสองอย่างนี้ คือการบูชายันด้วยอามิตรสการบูชายันด้วยธรรมบรรดาการบูชายันสองอย่างนี้การบูชายันด้วยธรรมเป็นเลิศพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมตถาคตผู้บูชายัด้วยธรรมไม่มีความตรณีอนุเคราะห์สรรพสัพตว์อยู่ เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งพบเช่นนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพรามะธรรมยาคสูตรที่หนึ่งจบสองสุลพระสูตรว่าด้วยปัจจัยที่หาได้ง่ายแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอาหารหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายปัจจัยสีอย่างนี้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัยสีอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งบรรดาจีวนบางสุกุลจีวอนผ้าที่ได้มาจากกองฝุน่นมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษสองบรรดาโภชนะ ปินทียาโลปะโพชนะโภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลังปลีแข่งมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 3. บรรดาเสนาสนะลูกขมูลและเสนาสนะเสนาสนะคือโคนไม้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4. บรรดายารักษาโรคปูติมุตตะเพศะยาดองน้ำมูดเน่า มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัยสี่อย่างนี้แลมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยสี่ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษนี้เราจึงกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่งคุณเครื่องความเป็นสมณะอย่างหนึ่งของภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าจิตของภิกษุผู้สันโดดด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษย่อมไม่มีความคับแค้นไม่ติดขัดทั่วทิศเพราะปรารพจีวอนโพชนะเซนาสนะและยารักษาโรคและทรรมที่เหมาะแก่ความเป็นสมณะที่ภิกษุนั้นกล่าวแล้วอันภิกษุผู้สันโดดไม่ประมาทบรรลุแล้วแม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุลพสูตรที่สองจบ 3. อาสวะคขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นอาสวะ แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวถึงความสิ้นอาสวะทั้งหลายสำหรับภิกษุผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่หากล่าวถึงความสิ้นอาสวะทั้งหลายสำหรับภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ไม่ภิกษุรู้อะไรเห็นอะไรจึงชื่อว่า มีความสิ้นอาสวะทั้งหลายคือภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกข์จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกขานิโรธความดับทุกข์จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทุกข์นิโรธคาไม่หนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ยานในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสค่ะผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงกร่อนลำดับต่อจากนั้นอัญญีสีจึงเกิดขึ้นต่อจากอัญญีสีนั้นวิมุติญาณอันสูงสุดและยานในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตผลว่าสังโยตทั้งหลายสิ้นไปแล้ว คนพาลผู้เกียครานไม่รู้แจ้งไม่ควรบรรลุนิพพานเป็นที่ปลดปลื้งกิเลสเครื่องร้อยรัตทั้งปวงนี้เลยแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาสวัคยสูตรที่สามจบสสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณหรือพรามแท้จริงพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราหายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่ หายกย่องว่าเป็นพรามในหมู่พรามไม่เพราะว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นไม่ได้ทำให้แจ้งผลคือความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิสุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขณนิโรธคาไม่นีปฏิปทา สมณะหรือพรามเหล่านั้นแหลเรายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะยกย่องว่าเป็นพรามในหมู่พรามเพราะว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นได้ทำให้แจ้งผลคือความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั่นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกลา่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น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 เหตุเกิดทุก์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุก์ลงได้สิ้นเชิงและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตตเป็นผู้ควรเพื่อจะทำที่สุดทุก์ได้และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชาราแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าไดสดับมาอย่างนี้แล สมณพราหมณสูที่4จบ